ด้านนางพรทิพย์เพ่งพร้อมอายุ2ี่ปีแม่ค้าขายข้าวหลามอยู่บ้านเลขที่ส7สิบครับสองหมู่แปตําบลโคกสะบ้าอำเภอนาโยงจังหวัดตรังเผยว่าตนได้นำข้าวหลามมาขายที่งามเฉลิมเป็นประจำทุกปีโดยในหลายๆายปีที่ผ่านมามีแม่ค้าขายข้าวหลามเป็นสิบสิบร้าน แต่ปีนี้เหลือประมาณสิบร้านเท่านั้นเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่ไม่ไหวอีกทั้งเศรษฐกิจไม่ดีจึงไม่กล้าที่จะจ่ายเงินค่าเช่าเพราะกลัวได้ไม่คุ้มเสียนางพรทิพย์กล่าวต่อว่าเมื่อก่อนเคยทำข้าวหลามมาขายวันละสามสิบถึงสี่สิบกิโลกรัมปีนี้ลดเหลือเพียงสิบถึงสิบห้ากิโลกรัมต่อวัน เพราะกลัวจะขายไม่ได้เพราะปีนี้คนตรังมาเที่ยวงานเฉลิมน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาเดินเที่ยวงานแต่ไม่ค่อยซื้อของเพราะเศรษฐกิจย่ำแย่ทั้งที่ข้าวล้ามยังคงราคาเดิมเหมือนปีที่แล้วแต่ผู้คนมีกำลังซื้อน้อยจึงทาให้แม่ค้าข้าวหามขาดทุนตามไปด้วยขณะเดียวกันชาวบ้าน ร้านค้าต่างวิจารณ์ถึงราคาค่าที่จอดรถตกราคาคันละ50บาทและแผงขายของแพงกว่าทุกๆุปีที่ผ่านมาอีกทั้งการส่งเสริมสิละประพื้นบ้านภายในงานข้อมูลจากเฟ e b o o k ใช้นามว่าอภิชาติคงบุญโพสว่าตนรู้สึกได้ว่างานเหลือมปีนี้เปลี่ยนไป ผมเป็นคนตรังมีอาชีพขายของในงานงานลากพระงานลอยกระทงกันตังงานผ้าทไทยงานเหลืมผมขายทุกปีแต่ปีนี้งานเหลืมผมไม่สามารถขายของได้ครับเนื่องจากปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดงานโดยผู้จัดงานคนใหม่ซึ่งควรขายของในงานจะเรียกว่าทีมเจ๊ ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้จัดราคาพื้นที่ขายสินค้าในงานก็จะไม่โหดที่เต็งๆสวยๆราคาสูงสุดต่อล็อกก็ประมาณส0ม0 0ื่นกว่าบาทจะไม่เกินสี่0มื่นแต่ปีนี้ราคาค่าที่ปรับเพิ่มสูงยังมหาโหดค่าเช่าพื้นที่ราคาส 5,000 บาทต่อหนึ่งล็อก ถ้าเป็นในซอยก็สองห0้าพันแผงลอยก็ราคาเดียวกันสองห0น้าพันนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้งานเหลิมปีนี้มีห้องว่างมากกว่าครึ่งผิดจากทุกปีที่ผ่านมาที่พ่อค้าแม่ค้าแย่งกันลงร้านค้าเต็มไม่มีว่างแถมปีนี้แม่ค้าข้าวหลามที่นั่งพื้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานเหลืมก็แทบจะไม่มีเพราะค่าที่สูงเกินสู้ราคาไม่ไหวและไม่ให้นั่งพื้นขายด้วยผมเองก็ไม่สามารถลงขายในงานได้เพราะสู้ราคาค่าที่ไม่ไหวปกติผมจะขายของกินทั้งน้ำและของกินจุกจิกทุกๆปีที่ผ่านมาจ่ายค่าที่ปีละหมื่นกว่ากว่าแต่ปี หนี้ค่าที่ 25,000 บาทสาเหตุที่เจ้ได้เข้ามาจัดงานในปีนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในงานแบบนี้ก็คงไม่รู้แต่ผมขายของในงานมา2ี่สิบกว่าปีผมย่อมจะเข้าใจดีเพราะผู้เกี่ยวข้องรับผลประโยชน์ที่สูงกว่าปกติโดยไม่คานึงว่าผลกระทบที่ตามมาจะเป็นเช่นไรเมื่อเอกชน ต้องจ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ในอัตราสูงจึงต้องมาเก็บค่าที่แพงราคาสินค้าที่ขายในงานก็แพงตามยิ่งพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นอย่างผมที่หากินเลี้ยงครอบครัวแล้วไม่ต้องพูดถึงครับค่าที่สองหมื่นกว่าสุดท้ายจบงานจะเหลืออะไรยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเราก็ขึ้น อยู่กับราคายางยางราคากิโลละสามสิบกว่าบาทคนที่ไหนจะเอาเงินมาซื้อของหวังว่าท่านผู้ว่านายสมศักดิ์ป ร, ริสุทธิ์โชเหมมานนจะรับรู้ถึงความเดือดร้อนของพ่อค้าตัวเล็กๆคนนี้และไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนเกินไปจริงๆแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เดือดร้อน แต่ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องได้ที่ไหนผมจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ทวงความเป็นธรรมให้แก่คนตรังที่หากินในบ้านตัวเองขอพี่น้องชาวตรังรับรู้และช่วยกันด้วยครับซึ่งล่าสุดทราบว่าได้มีการออกโปสเตอร์จัดงานเหลิมปีหน้า2558กันแล้วเรียกว่าประมูลกันข้ามปีเลย ทีเดียวโดยเจผู้จัดงานคนเดิม